สองสัตจะต้องมีทั้งสมมุติสัจจะและประมัตถะสัจจะโลกมีทั้งสมมุติสัจจะครบที่จะให้รู้จากรู้แจ้งรู้จริงต้องศึกษาทั้งสมมุติสัจจะจึงจะสามารถปฏิบัติให้ถึงปรมัตถะสัจจะได้แน่แท้ พวกเอาแต่หลับตาเข้าสู่พระวังปฏิบัตินั้นไม่มีแม้แต่รูปกายที่เป็นองค์ประกอบทางรูปภายนอกกับนามที่จะสามารถบัญยัติชื่อเรียกจากสัมผัสอธิบัจิณสัมผัสโสนั้นมาร่วมรู้กับคนทั่วไปทั้งหลายในโลกเขาได้ ก็ยังไม่มีสมมุติสัจจะที่จะรู้ร่วมกับคนทั้งหลายได้มาแต่ต้นพระไตรปิฎกเล่มสิบข้อ60ซึ่งผู้ปฏิบัติหลับตาอยู่ในภวังนั้นไม่มีผัสษายตนหกความเป็นนามกายก็ไม่มีอาการให้รู้ให้เห็น ดังนั้นกายภายในจึงไม่มีอะไรมาเกิดการกระทบสัมผัสรูปปฏิฆะสัมผัสโสได้เลยแล้วมันจะปฏิบัติตัดกิเลสกันตรงไหนกันเล่าด้วยเหตุนี้คนหลับตาปฏิบัติที่ไม่มีการกระทบการจากภายนอกก่อนก็ไม่มีอาการตั้งแต่ภายนอกเกิด จึงหมดสิทธิ์ที่จะศึกษาเรียนรู้ปรมิทาศัจจัอันเป็นความจริงขั้นนามกายที่เป็นภายในไปจนถึงนิพพานสูงสุดอย่างเด็ดขาดไปเลยเพราะไม่มีความจริงที่มีสัมผัสหกนั่นเองดังนั้นเมื่อสอนกันผิดถ่ายทอดกันผิด ก็งม ง, งายอยู่กับอดีตและอนาคตอย่างที่เป็นที่เห็นกันทั่วไปนั่นแหละคือปฏิบัติหลับตาเข้าไปอยู่ในผวังก็ได้แต่เจโตสมาธิมีแต่สมถะตามที่พระพุทธเจ้าตรัสจึงได้แต่จมอยู่แต่ในฝันอันมีแต่อดีตสิบแปด กับอนาคต44จมอยู่กับทิศที62นี้กันเท่านั้นตามที่พระพุทธเจ้าตรัสนายพรหมมชาละสูตรพระไตรปิฎกเล่ม9สูตรที่หนึ่งหรือมีแต่พาทรรมกุศลเพื่อวิมานชาติหน้าโดยไม่เน้นกันที่ปัจจุบันให้เข้าใจแจ้ง ศึกษากันให้รู้แจ้งเห็นจริงวิปัสนาและเห็นผลพิสูจน์ได้กันจะจะเชิญมาดูกันได้เองปัสิโกจะได้มีโรกุตตะรรเก้ามีโพธิปักขียธรรม37ลืมตาปฏิบัติบรรลุเป็นจากขุมาปรินิพุทโธติ ไม่งมงายหลงผิดอยู่แต่กับนิพพานเกพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้บริบูรณ์สำบูรณ์แล้วจริงๆศึกษากันดีๆมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายมันอยู่ในทิฏฐิ62ทั้งสิ้น